อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ381 1. ภิพิกษุไม่ประสงค์จะล้อเล่น 2. ภพิกษูเก็บบริขารที่ผู้อื่นวางไว้ไม่ดี 3. ภพิกษุเก็บไว้ด้วยหวังจะสั่งสอนแล้วคืนให้ 4. ภพิกษูวิกลจริต 5. ภพิกษูต้นบัญญัติจิวระอปนิธานสิกขาบทที่10จบสุราปานวัคที่6จบ